ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนเสนอตอนที่32มหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวญาณสัมปนโนภพิกขุอุทานย้อนดูปฏิปทาและสยบโรคฝีดา หลวงตามหาบูญญาสัมปันโนได้ให้อวาต ธ, ธรรมเอาไว้ว่ามีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือธรรมได้แจสมถทะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิธรรมจึงอยู่คนเดียวได้อยู่กับเพื่อนกับภูมิก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิหวโหยม า, มามากต่อมาเป็นกระชั้ไม่ได้สติสตางเพราะความวิ่งเต้นเพ่นกระโดดตามอารมณ์นั้นๆ แต่แล้วก็ได้หดย่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิดความติดพันและอยู่อย่างสงบเย็นได้แม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้นเข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับหลักสำคัญที่จะรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผล เป็นสิ่งสำคัญยิ่งจงพยายามทำใจให้เหนือกิเลสเราจะทราบเรื่องแง่งอนและกลมายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนจะทราบไปโดยลำดับปฏิปทาที่กิเลสตกแต่งให้แล้วก็คือปฏิปทาของกิเลสนั่นแหลมันจะผลิตแต่ความสำคัญขึ้นมาให้เราหลอกเป็นสองชั้นสามชั้นว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่านั้นนาที ได้เท่านี้ชั่วโมงเราฉันข้าวมื้อเดียวพระบินทบาทตามจิตวัตรทีนี้เราไม่ทราบว่ากิเลสสูญรอยเข้าไปโดยลําดับลําดาทุกระยะทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวของเรานี่สิมันจึงได้แต่รางวัลของกิเลสนอนจมอยู่ในกิเลสตลอดเวลาหาทางฟื้นตื่นตัวขึ้นมาไม่ได้ให้ทําความภาคความเทียนอย่ามาเพ่นเพ่นพ่นพานพ่านตามสระลงสาลา ไม่มีกิจไม่มีงานอะไรเราอยากเห็นพระเดินจงกรมด้วยความมีสติเราอยากเห็นพระของเรานั่งภาวนาเอาจริงเอาจังกับการฆ่ากิเลสตัวเสอย่างไรตัวแสบที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงความรากักความชัง น, นี้เป็นหอกเป็นหลาวทิ่มแทงหัวใจทั้งนั้นทำทิ่มแทงที่ไหนมีมากมีน้อยเป็นความชุ่มเย็นภายในจิตใจเท่านั้นทําไม่เคยเป็นฆ่าศึกต่อผู้ใด กิเลตังหาเป็นค่าศึกทำไมเราจึงเห็นเป็นของหอมของหวานก็ได้ถ้าไม่ถูกกล่อมเสียจนมืดไม่ปิดตาเท่านั้นหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านหลังจากที่องค์ท่านได้บรรลุธรรมแล้วประเมินว่าเหมือนโลกธาตุวันไว้เอาไว้อีกว่าอันจะ แลศาสาสีโลกาธาตุเหมือนโลกธาตุสังกัมปิสัมภกัมปิสัมภเวทีมีความสเสถียรสะทานทั่วถึงกันหมดเลยในเหมืองโลกธาตุนี้อำนาจอนุภาพความสว่างสวัยของเทวดาทั้งหลายทั้งแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอนุภาพของเทวดา ต, ตนใดจะเสมอเหมือนอนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกระจายแจ้งขึ้นมาในเวลาเช่นนั้น แต่เมื่อทำนั้นกระจายขึ้นมาภายในหัวใจของเราเองซึ่งเป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปทูลถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าพูดแล้วสาทุให้กราบทูลหรือไม่ทูลถามท่านให้เสียเวลาเพราะคำว่าสันิติโกที่รู้เองเห็นเองนั้นเป็นธรรมที่ประกาศด้วยความเลื่ลือสุดยอดแล้วนี่เราก็ไปเจอเข้าแล้ว ประจักษ์ใจประหนึ่งว่าแดนโลกธาตุนี้ไหวไปหมดขณะที่กิเลส ต, ตัวกดทวงจิตใจมาตั้งกับตั้งกันตัวพาให้เกิดให้ตายเพียงเราคนเดียวนี้การเกิดการตายของเราหากว่าเอาประเทศไทยเป็นป่าชาแล้วนะร่างกายของหลวงตาบัวเพียงคนเดียวเท่านี้ไม่มีที่ใดที่จะเจ็บจะวางศพของตัวเองมากไหมท่านทั้งหลายพิจารณาดูสิเพราะมันเกิดมันตายมันเกิดมันตายมา ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเป็นกระทั่งวันนั้นจนกระทั่งคืนวันนั้นเป็นวันตัดสินขาดสะบัานไประหว่างป่าช้าคือความเกิดตายกับใจของเราที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากความเกิดตายใจกระจ่างสว่างขนาดนั้นแล้วโลกธาตุจะไม่หวั่นไหวได้ยังไงอิเลสมันหนักขนาดไหนฟังสิหลังจากนั้นแล้วความสว่างจ้าครอบโลกธาตุกับปรากฏขึ้นในใจดวงเดียว ที่เคยมืดบอดมาจีกับกี่กันนี่แหละความสว่างกระจายแก้งขึ้นมาโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหายสงสัยทุกอย่างนี้เรียกว่าจิตมีความสว่างกระจายแก้งครอบโลกธาตุแล้ว หลวงตามหาบัวยาสัมปันโนได้เล่าถึงความอุทานธรรมของท่านในขณะที่องค์ท่านได้บรรลุธรรมเอาไว้อีกว่าเราเกิดความอัศจรรย์ถึงขนาดน้ำตาร่วงน้ำตารุ่นหล่นถึงขนาดได้ออกอุทานว่าโอโ้โอหโอ้โหหาธรรมที่ไหนหาที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ใดเราหาธรรมแบกกรดสะพายบาด ขึ้นภูเขาลูกนั้นลูกนี้เราก็ว่าเราสแสวงหาพระธรรมพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่นี่เองเราได้เห็นแล้วทีนี้เราก็มีวา ส, สนาอยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดว่าและไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้จะเห็นได้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วกระจายเป็นธรรมครอบโลกธาตุเหมือนว่าแม่นม้ำ ครอบมหาสมุทรทะเลหลวงคือเป็นมหาวิมุตต์มหานิพพานแม้นิพพานเราก็เคยคิดเคยคาดเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เป็นยังไงเรื่องนิพพานกับธรรมชาติเหล่านี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่หายสงสัยในทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในใจเรานี้กับคําว่านิพพานคําพูดว่านิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาติที่เป็นอยู่ในดวงจิตนี้คาดไม่ได้เลย แต่ก็ต้องเอาชื่อนิพพานมาใส่แต่ถ้าว่าธรรมธาตุเข้ากันในสนิทหมดถึงกับน้ำตาร่วงร่วงสองอย่างหนึ่งร่วงด้วยความสล ด, ดสังเวชพบชาติแห่งความเป็นมาของตนสองร่วงเพราะความอัศจรรย์ในพระพุทธเจา้าพระสาวกทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้เกิดสล ด, ดสังเวชในหุ่นหลังที่เคยคาดอาวิชชาเอาไว้ว่าเป็นเหมือนเสือโคร่งเสือดาว เหมือนยากเหมือนผีแต่เวลามาพิจารณาเข้าไปเจอเอวิชชาจริงๆแล้วมันกลับเป็นเหมือนนางงามจักรวาลเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสิ่งที่สิจันมีค่ามากโดยไม่รู้สึกตัว <S <S หลวงตามหาบุญยานสัมัตโน่ได้ญญนน เ, เล่าย้อนดูถึงปฏิปทาขององค์ท่าน ที่ได้ออกฝึกประพฤติปฏิบัติจนถึงกระทั่งบรรลุธรรมเอาไว้ว่าในบทเบื้องต้นที่เป็นทางนี้เพราะจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่างๆให้กว้างขวางออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินจึงได้ย้อนกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีกทั้งฝ่ายเหตุคือปฏิปทาทั้งฝ่ายผลที่ปรากฏในปัจจุบันถ้าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่คนอื่นๆจะรู้ได้แล้วเราทาไมถึงรู้ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่ง เหมือนกันกันกบมนย์ทั่วๆไปเรารู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนเข้ามาหาปฏิปทาพิจารณากระจายออกไปจนได้ความชัดเจนยอมรับว่าถ้ามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้วก็จะต้องได้รู้อย่างนี้ท่านผู้ใดบำเพ็ญข้อวัตปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้แล้วธรรมชาตินี้ไม่ต้องมีใครมาบอกจะรู้เองเห็นเอง เพราะอำนาจแห่งมัชิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกทำลายสิ่งที่รกรุงรังทวพันธ์อยู่ภายในใจจะแต่กระจายออกไปหมดเหลือแต่ธรรมะล้วนๆดวงจิตล้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์จากนั้นเจ้าอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจแม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลำบากแค่ไหนก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์เท่านั้นไม่สามารถที่จะทับถมจิตใจให้บอบช้ำให้ขุ่มัวได้เลย เพราะธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติขันทั้งหมดนี้เป็นสมมุติล้วนๆธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่ข่มเหงทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้วแล้วจะเกิดความเดือดร้อนได้อย่างไรเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องของขันสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเท่านั้น หลวงตามหาบัวยนสัมพันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่สานุสิธิ์ทั้งหลายต่อไปอีกว่าหลักใจก็คือหลักธรรมออกมาจากหลักธรรมมาเป็นหลักใจแล้วปฏิบัติตามนั้นความร่มเย็นเป็นสุขก็มีบ้านน้อยเมืองใหญ่ถ่าที่ไหนมีศีลธรรมที่นั้นสงบร่มเย็นดีพูดอันนี้ก็ทาให้รถึงปีที่คนเป็นโรคฝีดาบฝีดาบนี้เกิดขึ้น บ้านใหญ่ๆหลังคาเป็นร้อยๆบ้านแตกสะลรกขาดหนีเข้าไปอยู่ในป่าคนหนีตายนี้ก็อยู่ได้หมดทุกแห่งไม่ว่าพุ่มไม้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนหาที่หลบที่ซ่อนตัวได้ยิ่งกว่าสัตว์เวลาคนกลัวตายนี้กลัวมากกว่าสัตว์แต่บ้านแตกเมืองหมู่บ้านเดียวตายบรลักษ์สิบสถึง 16, สิศพเลยทีเดียวเราเดินทุ่งงไปที่นั่นเที่ยวผ่านไปหมู่บ้านนั้นกับโยมสองคนคนเข้ามาบอกว่า จะไปที่หมู่บ้านนั้นทำไมที่นั่นมีแต่ป่าช้าผีตายโหงเราจรึงตอบเขาไปว่าตัวเรานี่แหละเป็นป่าช้าคนเป็นถ้าไปจะเป็นอะไรเราผ่านไปตรงนั้นเห็นเขาตายเกลื่อนน่าสยดสยองกันทั้งบ้านทั้งเมืองโยมสองคนที่ไปด้วยเกิดความกลัวเราก็จึงกล่าวว่าไปเราไม่พากลัวไม่ต้องกลัวความตายมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับที่นั่นที่นี่แหละถ้าเรายังมีลมหายใจแสดงว่าไม่ตาย เดินไปเลยผ่านไปตรงนี้เลยมองดูสองฟากทางบ้านเดินเป็นร้อยๆหลังคาไร้ผู้คนอยู่อาศัยแต่บ้านแตกเมืองแต่นี้เขาไปอยู่ตามป่าตามพุ่มไม้ตามที่ไหนๆตามกอไผ่กอผาที่ไหนหลบซ่อนได้ไปอยู่หมดนี่ละมันถึงที่มองเห็นชัดนะเห็นจริงๆประจักษ์ตาเขาก่อไฟเอาไว้ผู้ที่นอนตายเฝ้ากองไฟก็มีผู้ร้องครวญครางอยู่ตามกองฟืนกองไฟก็มี เราปลูกกระท่อไว้หลังเล็กๆไปอยู่กับบ้านน้อยก้าวรคาเรียนเขาก็พาการแตกไปหาเรานี่ก็แปลงอยู่นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นประจักษ์ไม่ใช่อวดธรรมะไม่ใช่อวดตัวเองเอาความจริงมาพูดนี้เราเห็นด้วยตาไปก็ผ่านไปได้อย่างสบายไม่เป็นอะไรเลยเราก็ไปวัดตอนเช้ากำลังจะฉันจังหันพวกเขารุมเข้ามาถามว่าเป็นยังไงท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์สบายดีอยู่หรือจะเป็นอะไรไปหาอะไรมาให้เรากินเรากำลังหิวข้าวอย่ามาถามเรื่องความเป็นความตายเราก็ว่าอย่างนี้จากนั้นพวกนั้นก็รวมเข้ามานี่ก็เป็นภาระหนักอยู่รวมกันเข้ามาอยู่เต็มบ้านน้อยอยู่ตามร่มไม้แต่ก็เดชะให้เป็นอะไรแนมะ่สัตว์คนเดียวผู้ที่วิ่งเข้ามาก็หายจากโรคฝีดาบ ม, นมนันบันดินบรรดาลอะไรนะธรรมะของพระพุทธเจ้าใครเป็นแล้ว เขาห้ามไม่ให้เข้ามาเป็นอันขาดนี่มันยังรอดเข้ามาได้มาอยู่นั่นก็จะทำยังไงให้อยู่นั่นแหละจะเป็นอะไรไปเราก็บอกอย่างนี้ทำกระต๊อกให้เขาอยู่เสียไม่ให้ออกมาเที่ยวก็เดชะนะไม่เป็นอะไรเลยสองคนนี้หายก็ไม่ตายแล้วพวกนั้นก็ไม่เป็นอะไรทีนี้ตอนจะเอาใจาเขาละสิโอ๊ยน่าทเรศจริงๆนะถึงเวลาเราจะเข้าป่าไปทางภูสิงห์ภูวัวไปเที่ยวทางป่าทางโน้นแหละ เราไปคนเดียวถึงเวลาจะไปร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กตัว น, น้อยว่าจะมีที่ไหนเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งที่ไหนท่านพระอาจารย์จากไปแล้วก็หมดที่พึ่งเสียแล้วเราก็บอกว่าไม่หมดที่พึ่งทางใจเอาพุทโธไว้นะให้จับพุทโธไว้มีองค์ศาสดาอยู่ในหัวใจแล้วจะไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวนี่เราไปเราก็ไปกับพุทโธก็ขอให้พวกญาติโยมทั้งหลาย ให้อยู่กับพุโทโธเหมือนกันนะเราก็บอกเขาอย่างชัดๆอย่างนี้ตกเดือนนิทุนายน์หมเวลาเราย้อนกลับมาเราถามว่าเป็นยังไงบ้างทางนี้เขาบอกว่าสบายดีอยู่ไม่เป็นอะไรตั้งแต่นั้นมาสบายหายหมดบ้านน้อยไม่เป็นอะไรสักคนเดียวนี่แหละทันทนหลายอนนานาแร่งธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นๆดับทุกข์เข็ญได้อย่างแท้จริง